คาถาอนุโมทนาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าสตรีใดเมื่อให้ข้าวและน้ำก็เบิกบานใจมีศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตระหนี ให้ทานซึ่งเป็นหนทางสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำสุขมาให้สตรีนั้นอาศัยหนทางที่ไม่มีทุลีไม่มีกิเลสยวนใจย่อมได้กำลังและอายุทิพย์เธอผู้ประสงค์บุญมีความสุขมีพราณาใหม่ย่ยอมปลื้มใจ ในชาวสวรรค์ตลอดกาลนาน3า2ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาต่อนางวิสาขามิคารมาตาด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วสเสด็จลุกจากอาสนะแล้วสเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมมีกะถา เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าวัตสิกะสาดกอาคันตุกะพัดขมิกะพัดขิลานพัดขิลานุปัฏฐากพัดขิลานเพสัต ท, ทุวยาคูและผ้าอาบน้ำสำหรับ ภิกษุณีสงฆ์วิสาขาพานวาระจบ